บทที่11เอเจ้าทุกรกลายต่อไปเป็นบุรุษไวกลางคนท่านพระครูรู้สึกคลัค้ายครับคราว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนหากก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนบุรุษนั้นกราบสามครั้งแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับ ที่ผมกับภรรยาไปขอยืมเงินในบ้านเศรษฐีแล้วถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาต่อหน้าหลวงพอ่อแต่หลวงพอ่อเมตตาผมกับภรรยาแล้วก็ได้ให้คนขับรถนาเงินมาให้ผมพันบาทถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้ในวันนั้นผมกับภรรยาคงไม่มีค่ารถกลับนครพนมผมไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อเลยวันนี้ตั้งใจจะมาทาบุญกับหลวงพ่อหนึ่งบาท ผมขอถวายส่วนตัวหลวงพ่อจะนำไปทำอะไรก็ได้เขาถวายซองสีน้ำตาลบรรจุปัจจัยหนึ่งแสนท่านรับไว้แล้วก็วางไว้ที่ทางซ้ายมือแล้วพูดว่าวันนั้นอาตมามีเงินอยู่พันเดียวโยมเขาใสา่ย่าบ ม, มาให้ถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้โยมอีกยังพูดกับคนรถเลยว่า ถ้ามีสักหมื่นก็จะให้โยมทั้งหมดเศรษฐีบ้านนั้นตั้งใจร้ายใจดำไล่โยมทั้งสองคนต่อหน้าพระภิกษุอาตมาไม่นิยมชมชอบคนไร้เมตตาและตั้งใจว่าจะไม่ขอไปเยียบบ้านหลังนั้นอีกหลวงพ่อรู้จักกับเขามานานหรือยังครับเศรษฐีนครพนมถาม เพิ่งจะรู้จักกันวันนั้นเองอัตมาไปเทศที่โรงงานยาสูบเขามาฟังเทศแล้วก็เลยนิมนต์อัตมาไปดูบ้านเขาบ้านออกกว้างขวางใหญ่โตแต่เจ้าของบ้านกรับคับแคบเห็นแก่ตัวไม่สมกับบ้านเลยยมไปยังไงมายัางไงล่ะถึงได้มาที่บ้านนั้นได้ท่านถามผมถูกเพื่อนหลอกมาจากนครพนมครับ เขาบอกว่าให้นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจกันผมก็ถอนเงินสดมาหนึ่งล้านเพื่อจะนำมาลงทุนกับเขาแต่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปหมดแล้วเขาก็หายตัวไปทิ้งให้ผมกับภรรยารออยู่ที่โรงแรมผมก็ต้องถอดนาฬิกาข้อมือออกขายเพื่อนำมาจ่ายค่าโรงแรมซึ่งแพงมากรอเพื่อนอยู่หลายวันจนเงินหมด เลยบากหน้าเข้าไปขอยืมเงินบ้านนั้นแล้วก็ถูกไล่ออกมาอย่างที่หลวงพ่อเห็นนั่นแหละครับแล้วตอนนี้เพื่อนเขานำมาคืนแล้วหรือถึงได้นำมาถวายอาตมาตั้งแสนนะ่ะเขาไม่ได้นำมาคืนหรอกครับเพราะตั้งแต่วันนั้นที่เขาเอาเงินผมไปหนึ่งล้านบาทเขาก็ไม่มาให้เห็นหน้าอีกเลยเงินนี้ได้มาจากการอธิษฐานครับ คือเมื่อผมกับภรรยากลับไปถึงนครพนมแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อที่ช่วยเราให้มีค่ารถกลับบ้านผมจึงอธิษฐานจิตทุกคืนก่อนนอนว่าขอให้มีเงินมาถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนบาทพอดีก็มีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืนหนึ่งแสนผมเลยนำมาถวายหลวงพ่อผมไม่ได้คิดว่าจะถวายแค่นี้นะครับ ถ้าผมมีก็จะนำมาถวายอีกหลวงพ่อมีบุญคุณกับผมมากมายเหลือเกินอย่าคิดว่าเป็นบุญคุณเลยและทำไมจะต้องถวายมากมายอย่างนี้อาตมาให้โยมแค่พันเดียวใครไม่รู้เขาจะหาว่าอาตมาค้ากำไรเกินควรท่านพูดยิ้มยิ้มรู้ ว่าต่อไปเศรษฐีผู้นี้จะร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่นิมนท์ท่านไปดูบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนที่มีความกระตันยูกตะเวทิตาธรรมประจาใจนั่นเองผมเห็นจะต้องกราบลาก่อนละครับอ๋อภรรยาผมฝากกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยโอกาสหน้าเขาจะมาเข้ากรรมฐานครับอาตามายินดีต้อนรับ แล้วยมมาอย่างไรล่ะผมมารถส่วนตัวครับมีคนขับมาด้วยเขารออยู่ที่รถครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกเขามาทานข้าวก่อนได้เวลารับประทานอาหารแล้วข้าววัดป่ามะม่วงคลังนาะใครรับประทานแล้วกลับไปรวยทุกคนเอาละอยาดโยมไปรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรคอยว่ากันใหม่ในช่วงบ่าย ท่านบอกให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารพวกเขาจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายเพราะอยากจะรวยด้วยกันทุกคนเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงลุกจากอาสนะนำปัจจัยขึ้นไปเก็บไว้วันนี้มีผู้มาถวายปั จ, จัจสองรายคือพันโทถวายห0 0บาทอีกรายเป็นเศรษฐีตกยากถวายมาหนึ่งแสนบาทรายแรกถือเป็นของสง์ เพราะผู้ถวายไม่ได้ระบุว่าถวายส่วนตัวเหมือนรายที่สองปัจจัยส่วนนี้จึงเป็นของกลางที่ท่านจะนำไปใช้จ่ายในกิจการของสงส่วนปัจจัยหนึ่งแสนบาทผู้ถวายระบุว่าถวายส่วนตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายได้ตามอัธยาศัยท่านจะนำปัจจัยจำนวนนี้ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียก็เป็นอันว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตไว ได้บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหมายแล้วช่วงบ่ายท่านพระครูลงรับแขกอีกผู้คนมากันแน่นกุฏิยิ่งกว่าช่วงเช้าเจ้าทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นบุรุษวัยห้าสิบเศษเข้ามากับสตรีสองคน บุคคลทั้งสามกราบท่านพระครูและบุรุษนั้นจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับผมชื่อบัญชยัยเคยไปฟังหลวงพ่อเทศที่โรงงานยาสูบแล้วก็เดินมาส่งหลวงพ่อที่รถตอนหลวงพ่อเทศเสร็จท่านพระครูพอจะนึกออกวันนั้นมีคนเดินมาส่งท่านหลายคนท่านจำไม่ได้ทุกคนกระนั้นก็ถามเขาว่า แล้วโยมมากันอย่างไรล่ะทานข้าวหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมขับรถมากับภรรยาและเพื่อนของเขาครับเขาแนะนำสตรีที่มาด้วยว่าคนหนึ่งคือภรรยาอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของภรรยาโยมเคยมาวัดนี้หรือเปล่าท่านสมพานถามไม่เคยครับเพิ่งจะมาครั้งแรกคือผมมีเรื่องจะกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อครับ พี่สาวของเพื่อนภรรยาผมกำลังป่วยหนักอยู่ห้องไอซโรงพยาบาลสิริราชหมอบอกว่าไม่รอดแน่ภรรยาจึงพาเพื่อนเข้ามาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่ามีทางใดบ้างที่จะช่วยชีวิตพี่สาวเขามีพี่สาวคนเดียวครับพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วถ้อยคำของสามีเพื่อนทำให้น้องสาวของคนป่วยถึงกับน้ำตาซึม พี่สาวโยมป่วยเป็นโรคอะไรล่ะท่านถามเพื่อนของภรรยาในวันชัยเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถึงอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หมอบอกให้ดิชั่นทำใจแต่ดิชั่นทำใจไม่ได้ค่ะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาจนได้ตอนนี้เขาอายุเท่าไรห้าย58ค่ะ แก่กว่าดิฉันสองปีหล่อนตอบโยมีรูปถ่ายของเขาหรือเปล่าเพื่ออาตมาจะบอกได้ว่าเขาหมดอายุหรือยังเพื่อนของภรรยาในวันชายรีบเปิดกระเป๋าถือหยิบรูปของพี่สาวส่งให้ท่านสมพานวัดป่ามะม่วงรับภาพนั้นมาดูแล้วก็พูดว่าอาตมาดูหน้าแล้วเขาจะต้องตายเมื่ออายุเลย60สบไป 58ปยังไม่ตายเอาอย่างนี้อาตมาจะเจรจาต่อรองกับพญายมราชดูท่านชือเท้าเวสวร์อาตมารู้จักกับท่านตอนรถความคอหักท่านเพ่งไปที่รูปถ่ายประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงหลับตาทำปากขมุบขมิบญาติโยมที่นั่งอยู่ณนะที่นั้นต่างพากันคิดว่าท่านบริกรรมคาถา หาความจริงท่านกําลังเจรจาต่อรองกับพญายมราชท่านท้าเวสวร์โยมคนนี้เขายังไม่สิ้นอายุทําไมเขาจะต้องตายละ่ะอาตมาดูหน้าเขาแล้วเขายังไม่สิ้นอายุทั้งกรรมและทําไมจะต้องตายพญายมราชตอบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินอุปเชษกรรมไหมครับโยมคนนี้ต้องตายด้วยอุปเชษกรรม คือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆมาตัดรอนทั้งๆที่ยังไม่สิ้นอายุและก็ยังไม่สิ้นกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกให้เขาจเจริญพระกรรมฐานต่ออายุท่านอนุญาตนะที่อาตมาท่านยังอนุญาตเลยพระคุณเจ้าทำให้ผมลำบากใจอีกแล้วแต่ก็เอาเถอะในเมื่อพระคุณเจ้าอุตส่าห์ขอผมก็ต้องอุตส่าห์ให้ พระคุณเจ้าบอกเขาก็แล้วกันว่านอกจากเจริญพระกรรมฐานแล้วต้องทำบุญต่ออายุทุกปีเหมือนที่พระคุณเจ้าทำอยู่ผิดสัญญาเมื่อไรเมื่อนั้นผมจะให้ยมทูตไปเอาตัวมาท่านพระครูลืมตาคืนรูปให้เพื่อนของภรยาในวันชัยแล้วก็พูดว่าอาตมาเจรจาขอต่ออายุให้เขาแล้ว พยายมราชบอกว่าต้องทำบุญต่ออายุทุกปีโยมพากันกลับไปที่โรงพยาบาลได้แล้วให้บอกเขาว่าเมื่อหายป่วยต้องมาเข้ากรรมฐานวัดนี้ท่านสั่งการขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะน้องสาวคนป่วยกราวขอบคุณถวายปัจจัยแล้วจึงกราบลาเพื่อไปดูพี่สาวที่โรงพยาบาลสิริราชหลวงพ่อครับ ลูกสาวผมหายไปสองเดือนแล้วครับผมจะไปตามที่ไหนดีหลวงพ่อกรุณาช่วยบอกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนผมจะได้ไปตามเอาเลือดชั่วๆของมันออกมาดูเล่นสักหน่อยคนเป็นพ่อวัยสี่สิบเศษกราบเรียนด้วยอารมณ์โกรธที่ยังปะทุอยู่ในอกถ้าจะทำอย่างนั้นอาตมาไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพลอยบาปไปด้วย ท่านเจ้าของกุฏิตอบเสียงเรียบบุรุษนั้นแค้นใจลูกสาวนักถึงกับร้องไห้ออกมาหลวงพ่อครับผมเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมันเป็นกรรมอะไรครับเขาถามเสียงปนสะอื้นโยมใจเย็นๆไม่ต้องร้องไห้ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเป็นผู้ชายต้องเข้มแข็งอดทนเอาละเรื่องลูกสาวไม่เป็นไร เขาหมดกรรมก็จะกลับมาเอง่ารรู้ว่าลูกสาวของบุรุษผู้นี้เป็นเด็กใจแตกหนีไปอยู่หอพักกับเพื่อนผู้ชายเพลิดเพลินในกรรมคุณจนลืมพ่อแม่อีกนานไม่ครับวเขาจะหมดกรรมอีกสองปีท่านพระครูตอบท่านเห็น ว่าเด็กสาวผู้นี้เมื่อถูกเด็กหนุมเบื่อและไล่ออกไปจากชีวิตของเขาหล่อนก็จะหาเพื่อนชายคนใหม่ต่อไปอีกเพราะกำลังหลงระเริงในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสผมจะมีทางช่วยลูกได้ไหมครับคือช่วยให้เขากลับมาเร็วขึ้นเขาจะกลับมาภายในสมเดือนถ้าโยมกับพวกบ้านช่วยกันส ว, นสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืน นี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ส่งให้และอธิบายว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาโยมคนหนึ่งมาบอกว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วอาตมาก็เลยแนะนำให้เขาไปขอหลอกบทมหาเมตตาใหญ่ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพร่วัดสุทัศน์ท่านพิมพ์ไว้มีที่นั่นแห่งเดียวที่อื่นไม่มี เขาก็เชื่ออาตมาสวดได้สามเดือนลูกชายกอกรับเขาเกิดศรัทธาจึงพิมพ์ถวายอาตมาห้าร้อยเล่มอาตมาก็แจกญาติโยมไปหลายคนแล้วถ้าลูกสาวผมกลับมาภายในสามเดือนผมจะพิมพ์ถวายหลวงพ่ออีกห้าร้อยเล่มครับคนลูกสาวหายปะวารณาท่านพระครูจึงเล่าถึงความเป็นมา ของบทสวดมนนี้ให้ญาติโยมฟังว่ามหาเมตตาใหญ่นี้เป็นบทสวดมนของเทวดาคือพวกเทวดาเขาสวดกันที่อาตมารู้เพราะเมื่อก่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าโนนหลังโนนท่านชี้ไปที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้าเจ้าภรยา แม่ชีก็มาบอกอาตมาว่าเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดามาตอนไหนยมรู้หรือเปล่าท่านถามบุรุษที่มีลูกสาวใจแตกไม่ทราบครับแต่น่าจะเป็นตอนกลางคืนเขาตอบตอนเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีท่านพระครูเฉลยหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะว่าแม่ชีพูดความจริง สตรีคนหนึ่งทักท้วงขึ้นแม่ชีเขาถือศีลแปดข้อเขาจะโกหกทำไมสมพันวัดป่ามะม่วงแก้ต่างให้แม่ชีก้อนทองปานเนนผู้ซึ่งลาจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วหนูไม่ได้หมายความว่าแม่ชีโกหกแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าแกอาจจะแก่จนหลงก็เลยพูดอะไรไปตามเรื่อง ถึงแม่ชีจะแก่แต่ก็ไม่หลงทําไมถึงไม่หลงรู้ไหมเพราะแม่ชีเขาจเจริญสติปัฏฐานซีคนที่จเจริญสติอยู่เป็นนิจจะไม่หลงไม่ลืมจะมีสติดีไม่ฟันเฟือนเลื่อนลอยท่านถามเองตอบเองเสร็จหลวงพ่อทราบได้อย่างไรละคะสิ่งที่แม่ชีพูดเป็นความจริงหญิงสาวยังอยากเอาชนะ หล่อนหารู้ไม่ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเอาชนะท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้อาตมาก่อพิสูจน์นะสิพิสูจน์ด้วยการย่องมาแอบดูแตทุนสลานึกเสียวๆอยู่เหมือนกันหลวงพ่อกลัวผีเหรอคะหล่อนเข้าใจว่าท่านคงกลัวผีอาตมาไม่ได้กลัวผีแต่นึกเสียวๆกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารดศีรษะ เพราะไปซุ่มอยู่ใต้ทุนศาลามืดมืดคำตอบของท่านทำให้คนฟังหัวเราะทั้งกุติแล้วไม่ชีปัสวัตลงมาหรือเปล่าครับบุรุษหนึ่งถามขึ้นเปล่าอาัตามาคิดมากไปเองแต่อาตามาได้ยินเรื่องที่เทวดาคุยกับแม่ชีนะได้ยินหมดแล้วจึงกลับไปจดว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าจริงทุกเรื่องเทวดาบอกแม่ชีว่าถ้าบ้านไหนจะของบ้านสวดมนต์ทุกวันเทวดาจะรักษาแล้วก็มาช่วยสวดมนต์ด้วยอาตมาก็เลยถือโอกาสถามเทวดาบ้างถามว่าทำไมวัดหลวงพ่อโสธรได้เงินมากทำไมวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่คิงวัดเกศชยโยวัดพระนอนจักสี ทำไมถึงได้เงินน้อยกว่าวัดหลวงพ่อโสทรเทวดาก็ตอบว่าหลวงพ่อโสธรมีเทวดารักษา16บหกองที่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชวัดไร่คิงวัดเกตชัยโยวัดพระนอนจกักษีมีเทวดารักษาสิบองค์วัดเขาตะเครา ว, วัดบ้านแลม้มก็มีสิบองค์อาตมาถามเทวดาอีกว่า ถ้าอาตมาจะขอยืมหลวงพ่อโสธรมาไว้วัดป่ามะม่วงจะได้เงินไหมเทวดาก็ตอบว่าไม่ได้เพราะผิดที่ผิดทางเทวดาบอกว่าคนเรามีเทวดาปกปักรักษาถ้าคนไหนมันไหว้พระสวดมนต์เทวดาตรงจะรักษาถ้าบ้านไหนเจ้าบ้านเป็นคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเทวดาพานจะเข้าบ้าน ผัวเมียจะทะเลาะเบาะแวงแตกแยกกันถ้าเทวดาตรงแยกย้ายออกไปเทวดาใหม่ยังไม่เข้ามาผัวเมียก็ที่ไม่เคยทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันบางทีก็ตายคนจะตายเขาไม่มีเงาหัวถ้าญาติโยมเห็นใครไม่มีเงาหัวต้องต่อหัวให้เขาต่ อ, อยางไรครับบุรุษหนึ่งถามอย่างสนใจ ด้วยการพูดว่าสัมปติชามิถ้าพูดแล้วมีเงาไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงาตายแน่อาตมาพิสูจน์มาแล้วแม่ชีติเทวดามาสวดมนต์ด้วยชื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนตอนหลัง ล, ล้านมารับไปอยู่ด้วยล้านของแกมาเล่าให้อาตมาฟังว่าแกตายไปเจ็วันตัวยังอ่อน แล้วก็ไม่เคยหลงเพราะสติปัฏฐานสีเทวดาบอกว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีที่วัดสุทัศแห่งเดียวอัตมาก็ไปขอยืมมาเพื่อทดสอบแม่ชีอัตมาเปิดหนังสือแล้วก็บอกให้แม่ชีท่องแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่องไปช้าช้าใช้เวลาสามชั่วโมงจึงจบไม่ผิดสักตัวเดียว ก็สรุปว่าเทวดามีจริงบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีจริงแล้วอาตมาก็ให้คนที่ลูกหายผัวหายเมียหายสวดบทนี้ก็ปรากฏว่าได้พ้นทุกรกลายแต่ก็มีข้อแม่ว่าอาตมาต้องดูหน้าก่อนว่าคนนี้กุศลพอไหมถ้ากุศลไม่พอก็ไม่แนะนำให้สวดถึงแนะนำไปเขาก็ไม่สวด เพราะเขาไม่มีกุศลอยู่เลยต้องมีกุศลอยู่อย่างตา่ำ 60% เปอร์เซจึงจะได้ผลท่านสรุปหลวงพ่อคอแห้งหรือยังฉันน้ำชาก่อนค่อยเทศต่อนสมชายนำน้ำชามาถวายเป็นที่รู้กันในหมู่สิทธิ์ใกล้ชิดว่าชาของสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ได้ทำจากใบชาแต่ทำจากใบของต้นลูกใต้ใบและต้นไม้ยาราบ ได้ชั้นชาพอชุ่มคอแล้วจะอาวาสวัดป่ามาม่วงก็ให้คำปรึกษาแก่ญาติโยมต่อไปจนถึงคนสุดท้ายโยมสุนีแอบซุ่มดูลาดเลาอยู่ครั้นเห็นคนอื่นๆลุกออกไปหมดแล้วจึงเข้ามากราบอ้าวโยมมาตั้งแต่เมื่ อ, อไรท่านเจ้าของกุฏิทักทายด้วยการถามนายสมชายตอบแทนว่าเจ้ J. เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้ว หลวงพ่อมัวคุยพเพลินไม่ทันสังเกตหลวงพ่อขายดีจังนะคะคนแน่นกุฏิเลยหนูมารอตั้งแต่สองชั่วโมงแล้วมั้งโยมสุนีว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมาเข้ากรรมฐานจะว่ามีธุระก็ไม่ใช่จะว่ามาเข้ากรรมฐานก็ไม่เชิงมาเพราะอยากจะมามากกว่าคนตอบเล่นลิ้น รับประทานข้าวหรือยางท่านถามอีกเรียบร้อยแล้วค่ะหนูทานข้าวที่โรงครัวไปสองจานจานแรกทานเพราะหิวส่วนจานที่สองทานเพราะอยากรวยก็หลวงพ่อบอกใครๆกินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนยังรวยไม่พออีกหรือท่านตั้งใจประชดเกือบพอแล้วค่ะ ได้อีกสักห้าร้อยล้านว่าจะพอต่อประชดเช่นกันจากนั้นจึงหยิบกล่องก ร, รมยี่สีเขียวออกมาถวายท่านแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อช่วยดูแหวนวงนี้ให้หนูหน่อยเฮียเขาทำเป็นของขวัญวันเกิดหนูราคามันแพงมากหนูเลยไม่กล้าใสา่ท่านพระครูเปิดกล่องออกดู แหวนมารากฏล้อมเพชรส่องประกายวาววับแม้ท่านไม่สนใจยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังต้องยอมรับว่างามมากสวยดีนี่จะถวายอาตมาหรือท่านตั้งใจยั่วถ้าหลวงพ่อเอาไปมั่นผู้หญิงหนูจะถวายแต่ถ้าไม่มั่นหนูก็ขอฝากไว้ก่อนก็แล้วกันวันหลังจะมาเอาคืนอย่าเลยอาตมาไม่อยู่หลายวัน จะไปอินเดียท่านปฏิเสธไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เอาสายย่ามไปด้วยก็ได้ถ้าหายหนูก็ไม่ว่าจะดีหรือเอาคืนไปดีกว่าท่านไม่อยากรับของมีค่าไว้วันหลังหนูค่อยมาเอาคืนงั้นหนูกราบปลาพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วก็ลุกออกไป ท่านพระครูยังนึกคำพูดไม่ออกว่าจะบอกโยมสุนีว่าอย่างไรเจ้าของแหวนก็เดินไปที่รถแล้วท่านจึงว่าจะเก็บไว้ที่กุฏิจะไม่นาไปอินเดียด้วยกำลังจะขึ้นไปชั้นบนนางสาวต้นหลิวก็เข้ามากราบหลวงพ่อนั่นกล่องอะไรสวยจังขอหนูดูหน่อยท่านพระครูจึงวางกล่องกรรมียีลงตรงหน้าหลอน หญิงสาวเปิดออกดูถึงกับตาลุกวาวโอ้โหสวยจังหล่อนถือวิสาสะหยิบออกมาสวมใส่นิ้วนางแม้พอดีเลยหลวงพ่อขอหนูได้ไหมหล่อนขอดือด้อไม่ใช่ของหลวงพ่อโยมเข้ามาฝากไว้ท่านพระครูตอบตามจริงรู้สึกสงหอรใจว่าโยมสุนีจะไม่ได้ใส่แหวนวงนี้ งั้นหนูขอยืมเอาไปใส่ก่อนวันหลังจะเอามาคืนหล่อนพูดแบบคนมักง่ายมักได้